คุณสวนมาเหมือนกันนะคุณสวนก็ไปที่เนปาลพวกเนปานเลเนื้อว่าพวกเดียวกันนั <c oughs> ่นก็ลักษณะเดียวกันฮนะกลุ่มที่มาจากสายทางโน้นเนี่ยมันเผ่าเดียวกันมัน่งมันก็ดูใกล้ๆเคียงกันไปหมดนี่ย้อนกลับมาอีกว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องเดินเท้าเปล่าเพื่อที่จะลุยไฟข้ามจักรวาลไฟคืออะไรไฟคือราคะเป็นต้นท่านจะต้องถูกเผาอยู่สี่อสงไขยแสนกับ ถามว่าหนึ่งกับเท่ากับเขาเวปุระบรนโพธิชี้ให้ดูหนึ่งมหากับเนี่ยเท่ากับภูกเขาหนึ่งลูกถูกเผาอย่างนั้นถ้ากระดูกที่ถูกเผาถ้าไม่ฝังไม่อะไรนะอดนนี้ชาติที่มีกระดูกชาติที่เป็นไส้เดือนกิ้งกือที่ไรกระดูกไม่ต้องพูดถึงพูดแต่เฉพาะชาติที่มีกระดูกแล้วมากองกองเรียงกันเนี่ยมากกว่าเขาเหล่านั้นนั่นหนึ่งกับใช่ไหมเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวเรียกหนึ่งอสงไขย แล้วเสียสงไข่เศษอีกแสนกับเนี่ยบอกว่าจะต้องถูกเผาอยู่นานเท่านี้ถูกเผาหมดกระดูกไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไรแล้วก็อยู่ได้จนเป็นเจ้าของวาทว่าด้วยอะไรน้ําตาของเธอมากกว่าน้ำทะเลไม่ีใครกล้าพูดหรอกนอกจากพระพุทธเจ้าที่กล้าพูดก็พูดตามเลือดของเธอที่เธอเสียไปมากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรถามว่าท่านเนื้อของเราน่าจะมากกว่าแผ่นดิน ก็ขนาดกระดูกเนี่ยนะถ้าแค่กลับเดียวก็เท่ากับเขาเวปุระบรรพศท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกเผาอยู่สี่อาสงไข่แสนกับถูกไฟคือชาติชรามรณะเนี่ยเผาอยู่ตลอดเวลาถูกไฟคือราคาไฟคือโทสะเป็นต้นนี่แผดเผาอย่างถ้าอ่านชาดกท่านเป็นแม้กระทั่งมูสิกะมูสิกะแปลว่าหนูนึกว่าดีนะถ้าฟังเป็นบาลีก็นึกว่าแจ๋วนะที่ไหนได้ แต่ว่าพระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นหนูจริงๆในชาดกชื่อว่ามูสิกาชาดกหรืออะไรถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมีอยู่เกิดเป็นหนูก็หนูยังเป็นพวกปลาก็เป็นน่ะปลาช่อนก็เป็นกวางก็เป็นเสือก็เป็นถามวาสุนัขเคยเป็นไหมไม่มีอะไรที่ไม่เป็นลิงก็ยังเป็นเลยนะแต่ว่าทุกชาติที่ท่านเกิดอยู่ในชาติใดก็ตามท่านจะต้องได้บุญท่านจะต้องบําเพ็ญบารมีอยู่ข้อใดข้อหนึ่งจนได้ แต่ว่าที่ทำมากจริงๆคือชาติที่เป็นมนุษย์ท่านท่านก็เดือดร้อนลําบากมากที่บอกว่าโพธิญาณที่พระองค์ได้มานี่เป็นสิ่งที่ได้โดยยากหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์รู้เลยว่าโพธิญาณที่พระองค์ได้มาเนี่เป็นสิ่งที่ได้มายากจริง ๆ, ๆจิตก็เลยไม่น้อมไปเพื่อที่จะจะสอนจะแสดงธรรม บางรายยังไม่ได้นึกถึงว่าเราเป็นอะไรแบบนั้นอะไรขนาดเนี่ยแค่คุยอยู่ทุกวันเนี่ยบอกทําไมมันยากอย่างนี้ทาไมเขาเข้าใจยากจริงๆเลยนะดูเขาไม่เข้าใจหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจหรือเอาอย่างไงกันแน่บางทีก็ชักงงๆเหมือนกันว่เอาไงกันแน่ตอนคุยกันก็ดูพยักพเพย์ดูเหมือนกับรู้เรื่องเราดีอะไรงี้ยนะแต่พอเขาคุยกันเองก็ทําไมมันเป็นอย่างนั้นแตอีกแล้วอย่างเงี้ยนะน่าทึ่มชักแปลกใจเหมือนกันนะ้ อ๋อเหรอ <c oughs> มองเมไหร่จะเลิกสักทีงันนะก็ขอรับรู้ไว้ก่อนจะได้จบเร็วๆอ่าเงี้ยมขาทาอุทานที่ตรัสรู้ก็อุทานว่าอะไรคือพิจารณาจนแทงตลอดแทงตลอดอริยสัจอริยสัจที่พรงพิจารณาถ้าพูดแบบบททั้งหลายก็คือกี่บทก็สองร้อยหนึ่งบทคูณด้วยอริยสัจสี่ น, นี่พูดแบบโยโย่ใครที่เรียนปฏิสัมพิธามมาก็จะไม่แปลกใจเลยครับ ที่พระองค์ปฏิบัติจนสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาโดยรอบตัววิมุตติสุขอยู่เจดวันวันที่เจ็พิจารณาธรรมะทั้งคืนพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอนุโลมสี่ชั่วโมงพิจารณาทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยสี่ชั่วโมงพิจารณานิโรสัตว์จะอีกสี่ชั่วโมงอาศังคตาธาต ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนะี่มีอะไรนักหนาจะต้องคิดตั้งสี่ชั่วโมงคิดด้วยหน้าปัจเจกขณะญาณ น, นะสี่ชั่วโมงด้วยกันแล้วพิจารณาอริยมรรคอีกสี่ชั่วโมงสรุปว่าคิดปฏิจจส ม, มุปบาทอนุโลมปฏิโลมอยู่สิบสองชั่วโมงหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าท่านจะรู้อะไรสักเท่าไหร่ใช้เวลาคิดอยู่สิบสองชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็มาพิจารณาดูมูสัตว์อีกว่าจะสอนเขาอย่างไง พอพิจารณาไปเนี่ยก็เห็นความเดือดร้อนของสัตว์อีกหลังจากนั้นเทวดาเขาสงสัยว่าท่านยังมีอะไรที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้ายิ่งไปกว่านี้หรือเปล่าพองก็เลยแสดงย ม, มกาปาฏิหารเพื่อตัดความสงสยัยย ม, มกาปาฏิหารเนี่ยทงแสดงอยู่สีที่ที่ที่หนึ่งก็คือที่พุทธคยาที่ที่สองก็คือที่ที่สาวัถีที่สามก็คือที่กบิลพัท แต่มีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยของมายังหาไม่พบว่าที่ไหนแต่ในหนังสือคุณป้าสุรีเรียบเรียงมาก็บอกว่าสี่ที่ในอัตถากถากบอกว่าสี่ที่แต่ที่ที่สี่นี่ของมานึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนพอแสดงยงมกาปาฏิหารเสร็จพระองค์ก็อะไรดูสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรูยืนดูอยู่เจ็ดวันด้วยมารำลึกว่าที่ตรงนี้ทําให้พระองค์ประสบความสําเร็จ พระ อ, องค์เนี่ยแสวงหาพระนิพพานสแสวงหาสัพพัญญุตญาณหามตสีอสงไขยแสนกลับพึ่งมาเห็นอยู่ตรงนี้นึ่ถึงคุณต้นโพกับบัลังที่ทําให้พระ อ, องค์ตรัสรู้ก็เลยดูอยู่เจ็ดวันดูด้วยความซาบซึ้งคุณแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูอยู่แค่จกคักขูวิญญาณจากักขูทวารวิถีนะไม่พระ อ, องค์ก็พิจารณาอะไรอยู่ตรงนั้นโดยที่ดูด้วยแล้วก็พิจารณาอะไรอยู่เจ็ดวันด้วยกันแล้วก็เดินจงกรม รัตนก์กลงกรมระหว่างที่ตรัสรู้กับที่ยืนดูนเดินอยู่อย่างนี้เจ็ดวันหลังจากครบเจ็ดวันก็ไปพิจารณาอภิธรรมปิดกพิจารณาสภาวะธรรมทั้งมวลพิจารณาจริงๆโดยรอบครอบเนี่ยคือตอนที่พิจารณาพิธรรมพิจารณาอยู่เจ็วันไม่มีคําว่านอนพิจารณาเจ็ดวันนี้พิจารณาอะไรท่านบอกว่าถ้าเอามาพูดเทศอยู่เป็นพันๆปีก็ไม่มีหมด ที่พระองคพิจารณาทั้งหมดนั้นอ่ะไม่มีเอามาพูดเป็นคำนํำนะถ้าแค่คิดเนี่ยมันใช้เวลาคิดแว บ, บเดียวถ้าเอามาเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยใช้ตัวหนังสือเปลืองมากใช้คําเปลืองมากอย่างสมมุติว่าคนที่มีความรู้ว่าเรื่องการเดินทางจากนี้ไปเมืองพารณาณสีอย่างชํานาญนะก็ใช้เวลาคิดสักครึ่งนาทีถามว่าเอามาพูดเนี่ยมันเท่าไหร่เอามาเขียนเนี่ยมันเท่าไหร่เรื่องเยอะมากๆเลย พระองคิดอภิธรรมพิจรารณาพิธรรมใครครวญพระพิธรรมอยู่เจ็ดวันโดยเฉพาะคมภีร์มหาปัฐานพระองคิดจนมีรัศมีออกจากพระวรากายถ้าเราน่องใส่คิดจนหัวร้อนเผาหมดเลยนะเขาบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่อ่านพระไตรปิฎกท่านทํำยังไงรู้ไหมอ่านจนหัวร้อนแล้วก็หาผ้านเนี่ยไปชุบ น, น้ําแล้วมาโปะหัวเอาไว้แล้วอ่านธรรมะแต่ไม่ใช่อธรรมะนะมันมีบางคนเขาทําอย่างนั้นจริงๆพี่เอสทำด้วยเหรอ ปีก็เอ า, อางั้นนะอาจารย์นั่นไงอาจารย์ที่เขเียนเนีย่ยยามบุษบงก็ทําอย่างนั้นอ่านจนหัวร้อนของมาเนี่ยดูแล้วชักนี้ก็นอนแล้วหมาเอาแล้วแล้วใครว่าใหมพ็มีผู้ที่เขามีความเพียรมากเขาเพียรจริงๆของเราก็ไม่ถึงกับเพียรเท่าไหร่แต่อาศัยว่าไม่เลิกเพราะบางอย่างนี้โครงการตั้งไว้เป็นสิบสิบปีนะใครจะรีบก็รีบไปเดี๋ยวข้าพเจ้าก็รีบได้เท่านี้อรีบมากกว่านี้เดี๋ยวรถมันก็จะพังเอาอันก็เหมือนกับถนนที่เรามา ตะ บ, บึงมาเลยได้ไหมไม่ได้พอนอี่ก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้ถ้าวิ่งตรงอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็อย่างนี้แหละแต่ก็รอดมาได้ถึงตอนนี้กับเจ้าแล้วนะ <c oughs> มันก็อย่างงี้แหละชีวิตการศึกษาพระธรรมในยุคนี้ที่ที่เราจะศึกษาโดยเฉพาะตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่แม่นหลักแล้วก็ไม่เอามาตรึกเอามาโยนิโสมนสิการเอามาพิจารณาจริงๆเนี่ย โดยที่สุดแม้แต่คนของพระพุทธเจ้าเราก็จักมองไม่เห็นว่าพระองค์นี้มีคุณอย่างไรถ้าคณของพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่พระองค์สอนทั้งหมดเราคิดหรือว่าควรเอามาใสา่ใจหลายเรื่องมันขัดต่อกิเลสเรามากๆเลยนะอาหารอร่อยๆบอกว่ามันปฏิกูลอย่างเงี้ยเราก็จะนอนพักผ่อนให้มันสบายบอกจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจะประโยชน์อะไรด้วยการหลับ ขัดมากๆเลยนะก็เราชอบของเราอะ่พาะพองก็บอกว่าราคาย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลกก็มไม่รู้สึกคนโลกไม่รู้อัดคนโลกไม่เห็นธรรมเมื่อได้ความโลภครอบงําความมืดก็เกิดขึ้นพองก็บอกว่าไอราคานี่มันเป็นค่าศึกภายในศัตรูภายในเพชฌฆาตภายในผู้ฆ่าภายในตาปะมิตรภายในบางแห่งก็บอกว่าสนิมเนี่ยเวลามันเกิดมันเกิดที่ไหน มันเกิดที่เหล็กแล้วมันก็ทําลายเหล็กฉันใดราคามันเกิดในจิตของผู้ใดมันก็ทําลายผู้นั้นเสียหายยับเยินหมดพระองค์ก็มาสอนเราอะนะซึ่งเราก็ชอบของเราอ่ะแล้วก็มาสอนจนเราเอราคามันชักไม่ดีจริงแล้วมั่งเนี่ยนะคือมันขวางไปทุกเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่รู้คุณของพระ อ, องค์จริงๆรเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่พระ อ, องค์สอนมันขับต่อความคิดของเราทั้งหมดเราจะเอาด้วยไหมอย่างสมมติว่า เ, าเดินทางมาอย่างงี้ใช่ไหม พองสันเสริญสีนแต่ยังไง น, นนะข้าวเย็นแหมมเดินทางก็เพลียนเหนื่อยก็เหนื่อยมันอร่อยหอมากเลยนะแล้วก็บอกไมอ่อ่ะไม่บริโภคไนแม่มันทำยังไงเนี่ยเนี่ยไม่ง่ายเพราะมันมันหลายวันแล้วมัน จ, งจึงทำได้คือหัดธรรมทานแต่ถ้าคนใหม่ๆเลยนะคุณรานหิวไหมตอนแรกๆทาไมมาเช้าสักทีนะรอเช้าหน้าดูเลยนะไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันขัดมันฝืนตั้งแต่เริ่มสีไล่มาเรื่อย ก็ยุงมันกัดเรามันต้องสมควรตบสิมันต้องสมควรตายใช่ไหมมันทําเราเจ็บแต่บอกอย่าไปข้าวมา้าข้าวของคนอื่นที่ก็วางเผอเราก็แหมถ้าเอาโดยที่เขาจับผิดไม่ได้มันก็น่าจะดีใช่ไหมแต่ที่นี้พระองค์บอกไม่ใช่แต่ละศีลแต่ละอย่างที่พระองค์สอนให้มีศีลกุศลศีลนนีะ่ยังขัดต่อกิเลสเป็นอย่างมากจะ ก, กล่าวไปยายถึงกุศลที่เป็นสมถะและวิปัสนาจะขัดขวางต่อวัฏะเท่าไหร่ พระ อ, องค์เนี่ยรู้เลยว่าธรรมะที่พระ อ, องค์จะสอนสัตว์อื่นนี้เป็นสิ่งที่ยากจริงๆอย่างที่เราศึกษาพระธรรมแล้วที่เข้าใจว่ายากเนี่ยเข้าใจถือว่ายากจริงๆถ้ายิ่งคนที่มีอัธยาศัยต่อวัตตะด้วยแล้วยังไม่เห็นพิษภัยของวัตฏะด้วยแล้วธรรมะนี่จะยากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะแค่ใจยังไม่มีเลยเนี่ยกล่าวไปยายถึงกายและวาจาเล่าจะกล่าวไปยายถึงพฤติกรรมเล่า ใค่เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยนะจะกล่าวไปยายถึงมาศึกษาที่กล่าวหลายหลายครั้งว่าขอนุ โ, โ, โมธนากับท่านทั้งหลายด้วยนะที่ฝักฝ่ายถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่ง่ายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งเราต้องคิดอะไรในสิ่งที่มันไม่ใช่แบบคนสมัยนี้คิดมันคิดอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็มีผู้ใช้คาหนึ่งบอกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะในเรื่องของธรรมะเป็นโลกที่อยู่ในความคิดอย่างเดียว ถ้า เ, เรียนภาษามาใช่ไหมยังมีการพูดคุยกันยังมีเขียนป้ายเขียนอะไรมาแต่ในเรื่องนี้กุศลอกุศลเป็นต้นเขาเขียนไว้ที่ไหนมยอันนี้วัตถุ่ว น, นี้นะสีสวยๆนะราค่าท่านจะเกิดมันเป็นอกุศลมันมีโทษอธิบายไว้ในสีสวยๆนะั้นมีไหมคนทาหน้าแต่งตัวมานี่จะได้ให้คนอื่นว่านี่นะวัตถุแห่งสุภาพนิมิตนะมันเป็นที่ตั้งแห่งราค่าเป็นต้นเนี่ยคนแต่งเขาคิดอย่างนั้นมั้ยไม่มีมันมันก็ตรงกันข้ามหมดเลยแต่ละเรื่อง ฉันธรรมะนี้จึงเป็นอีกวิชาหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมบัติของผู้มีบุญจริงๆถ้าไม่สั่งสมบุญไม่สั่งสมจริตอัธยาศัยไม่มีใจจริงๆแล้วเนี่ยยากตรงนี้ทําให้เห็นว่าใครที่ที่คิดจะเกื้อกูลคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะสงเคราะห์บุคคลอื่นแต่ว่าพิจารณาให้ดีๆหน่อยนะจะไม่ง่ายอย่างที่ที่เราคิดถ้า ง, ง่ายอย่างนั้นเนี่ยโอยพระพุทธเจ้าช่วยเราไปนานแล้ว ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่กรุณาเราแต่ไม่รู้ช่วยเราตรงไหนนะในตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้แลในส่วนตรงนี้ก็พูดถึงว่าพระองค์เนี่แสวงหาอาสังคตาธรรมที่ทวนกระแสแต่เมื่อแสวงหาพบแล้วพบอมตะบทบทที่ไม่ตายคือพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยพ้นจากความตายพ้นจากโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตพ้นจากวัฏทุกข์ พระองค์เป็นที่สการะเคารพของหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีบุคคลใดในโลกเป็นที่โคโจรแห่งบุคคลทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอายตนะที่พิเศษที่เป็นที่รองรับจิตวิญญาณของหมู่สัตว์มากที่สุดพระพุทธเจ้านะเป็นบุคคลที่เป็นอา ร, รมัมมณะปัจจัยของสัตว์มากที่สุดในบรรดาอารมัมมณะปัจจัยทุกชนิดถ้าใครเรียนปฐฐานมาในฟังคานี้ไม่ยากนะเข้าใจทันที เป็นที่รองรับความคิดของหมู่สัตว์ที่สุดคือพระพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าพระองค์ตอนที่ตรัสรูสายตากี่ล้านคู่ที่ดูพระองค์อยู่ตอนนั่งโคนศรีมหาโพธิ์สายตาของเทวดาเนี่ยเป็นจักรวาลมันมาดูพระองค์จะบรรลุมนุษย์ไม่มาดูก็จริงแต่เทวดาเนี่ดูหาประมาณไม่ได้อย่างม้ากันทะกะเนี่ยเป็นม้าที่วิ่งได้รอบโลกกลับมาให้ทันอาหารเช้าได้แต่วันนั้นเนี่ยวิ่งได้ไม่กี่โยดอดเพราะอะไร เพราะดอกไม้ที่เทวดามาบูชาเนี่ยจนถึงท้องวิ่งลุยดอกไม้อยู่ตลอดก็เลยวิ่งช้าคืนนั้นวิ่งได้แค่ประมาณสามสิบโยดวิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่ถามว่าเดินบนทรายกับเดินบนดินเนี่ยไหนจะเหนื่อยกักนเดินบนทรายฉันใดผู้ที่เดินบนดอกไม้ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าดอกไม้แค่บางๆหน่อยๆนะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามีแต่ดอกคำฟอยสูงจนถึงเข่าเนี่ยลองเดินดูอะจะรู้ว่าไม่เดินง่ายเลย เป็นที่จับจ้องมองดูของมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจวบจนดับขันปรินิพานเป็นบุคคลที่มูสัตว์นี่คิดถึงมูสัตว์ที่ฝักใฝ่ในการบรรลุธรรมผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายเขาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้หรือแม้กระทั่งตั้งแต่บำเพ็ญประพฤติธปฏิบัติจวบจนถึงทุกวันพรองนี้เป็นอารมณปัจจัยที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ต่หมูสักว์หมูสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะนึกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มีเสียงสรรเส ร, ริญพระพุทธคุณไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นคนตอนนี้นะผู้ขี้คิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ต่ำกว่าหมื่นแต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นเพราะถึงมนุษย์ไม่คิดถึงเทวดาทั้งหลายเขาก็คิดถึงหมู่พระอริยทั้งหลายก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจึงเป็นบ่อเกิดแห่งคุณจริงๆ การที่พระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ช่วยบรรเทาทุกข์ที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลงเกิดขึ้นมาในโลกเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างวันนี้เรามาถึงในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้ก็นับว่าเราก็สั่งสมบุญมาไม่ใช่น้อยในขณะเดียวกันหลายคนก็มาหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้บางคนก็บอกว่าปีติทราบซึ้งมาก เพราะฉะนั้นรักษาศรัทธาปีติวิริยะสติปัญญาเป็นต้นจนกว่าจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีผู้ใดยอยากจะสอบถามอะไรบ้างไหมสนทนาอะไรเพิ่มก็ได้นะมีเหมือนกับเสาหรืออะไรที่โผล่ออกมาจากดินอยู่เก้าหรือสิบตรงนั้นนี่เขาทำอุทิศแต่ว่าที่ตรงนี้คือที่พระองค์จงกรม เขาสร้างเป็นที่จงกรมของพระพุทธเจ้าอ oh, <okay. S 1> ีก ท, ที่หนึ่งบางทนก็อาจจะคิดถึงว่าตรงนั้นเป็นที่ปักทูปปักเทียนเป็นต้น mm hmm. ก็สามารถมองได้หลายอย่าง oh. แต่บางท่านก็ว่าจำลองที่จงกรมเพราะว่าคนจะได้นึกถึงว่าพราะองค์นี้จะเด็จเดินจงกรมอยู่เจ็ดวันจะได้เวลาเห็นที่ตรงนั้นก็น้อมบูชาระลึกถึงตอนที่พระ อ, องค์จงกรมเจ็ดวันเราโคบูชาตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะพอบูชาให้หมดนะว่าไปก็กราบให้มันทุกตารางนิ้วได้ก็ดีไง เขาจำลองของจำลองยังไงก็ไม่เหมือนของจริงแต่ถึงยาวหรือใกล้ก็ตามพงษ์เนี่ยก้าวหนึ่งก้าวเนี่ยก้าวได้เป็นล้านโยชน์ไม่ต้องแปลกใจหอรอกพงษ์ปลาโรบจะก้าวเหยียบตรงไหนจะเหยียบตรงนั้นพอดีมองเหมือนคนก้าวปกติด้วยนี่คือพุทธานุภาพด้วยบา ร, รมีที่พองษ์บำเพ็ญมาดาวดึงเนี่ยพองษ์เดินสามก้าวถึงเลยแค่ก้าวไปธรรมดาเนี่ยเหมือนปกติเนี่ยถึงเลยอันนี้คือผู้มีบุญนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ ให้รู้เธอว่าพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์บุรุษอัพภูตรธรรมบุรุษเป็นบุรุษที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่เรียกว่าหน้าอัศจรรย์เพราะเกิดมาเพื่อช่วยดับโศกแห่งหมูสัตว์ทั้งหลายการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหมูสัตว์หายโศกไปเท่าไหร่แล้วอย่างเราเราทั้งหลายถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาคําสอนเลยนะตอนนี้เราทําอะไรอยู่ไม่แน่นะอา จ, จะนั่งร้องไห้ก็ได้ เพราะว่าไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะสมหวังมาดังที่ใจเรานึกอย่าไปคิดว่าชีวิตถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมแล้วเราจะได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่เลยแล้วสภาพจิตเราจะเป็นยังไงล่ะดีไม่ดีอาจจะจุติไปเกิดในอบายแล้วก็ได้ใครจะไปรู้วันนี้เนี่ยตอนที่พระอาจารย์สาธยายที่พระสารีบุตรกล่าบลาพระพุทธเจา้าดิฉันคนหนึ่งแหละที่เบรกไม่อยู่เลย น้องมวยคนหนึ่งแล้วก็คุณอุไรวันด้วยอา ร, รมณ์อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรื อ, อยังไงคะหรือว่ามันเป็นโมหะหรือโทสะหรื อ, อยังไงคะ่ะถ้าเป็นส่วนนี้ก็ของมาไม่วิจารณีกลางนะเพราะว่าปีติของบางคนก็มีน้ําตาออกมาเหมือนกันแต่ก็ดูเอาว่าโทมนัตหรือโสมนัตก็ดูสมุทฐานถ้าโทมนัตก็ไม่ดีแต่ถ้าถามว่าโทมนัตเพราะอาศัยเนคขมมะก็ดีกว่าโทมนัตอาศัยกาม เราต้องดูสภาพจิตเหมือนกันว่าที่เราเบรกไม่อยู่เนี่ยก็ต้องดูว่าอาศัยเรือนหรืออาศัยเนคขมมะถ้าอาศัยเรือนก็ไม่ดีเท่าไหร่อาศัยเรือนก็คืออาศัยวัตถุกราบอาศัยวัตถุคือขันห้าที่เป็นวัตถุกรามมองในแง่วัตถุกามทั้งหลายเนี่ยอันนั้นเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนซึ่งตรงนี้ก็มีนะในมิลินทปัญหากล่าวถึงน้ําตามีสองอย่างไน้ําตาที่เป็นยากับไม่เป็นยา น้ำตาที่เสียใจเพราะเรื่องวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่ยาเป็นไปกับปีติปรามโมทในกุศลธรรม น, น, น, น้ำตาเหล่านั้นก็เป็นยาทุกท่านที่มาบูชาสังเวชนิยสถานนครับก็จากการที่มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าวันนี้ไปเห็นที่พุทธคยาก็ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาที่จะมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเห็นศรัทธาของแต่ละคน แต่ว่าพอพิจารณาถึงอินท N4 ห้านี่ครับอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยอารมณ์ตอนที่จะเจริญเนี่ยอารมณ์มันต่างกันหมดแต่ว่าตอนที่ประชุมกันเนี่ยอารมณ์ไปเหมือนกันก็คือถ้าพร้อมก็คือมีพ่นานในผานแบบอารมณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนอบรมเจริญเนี่ยเหมือนว่าเจริญแยกกันแต่ความจริงแล้วศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเขาเกิดพร้อมกันขณะที่กุศลจิตเกิดถ้ามีความเข้าใจ ขณะนั้นก็อินทรีย์ทั้งห้าก็มีแต่ว่าเวลาที่อบรมแต่ละครั้งอย่างเช่นอย่างการเจริญพุทธานุสิต เ, เน้นไปว่ามีคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แต่ว่าศรัทธาเจริญไม่ใช่เป็นการเจริญสมาธิหรือว่าปัญญสีแต่ว่าเน้นที่ศรัทธาถ้าพูดเปรียบเหมือนอย่างว่าถ้าใครเคยปรุงอาหารเวลาที่ใส่เครื่องเทศครบหมดมันก็มีทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือเกลือก็มี แต่ทําไมจะต้องเติมเกลือน้ําปลาในนั้นก็มีแต่ทําไมต้องเพิ่มน้ําปลาขึ้นมาเพราะอะไรทั้งที่ไหนนั้นนี่ก็มีหมดอยู่แล้วแต่ทําไมจะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆก็คือเพิ่มจนกว่าจะ ก, กลมกล่อมกุศลธรรมก็ลักษณะนั้นก็เพิ่มจนกว่าจะ ก, กลมกล่อมถ้ากลมกล่อมเพียงพอก็เป็นอมะตะก็เหมือนกับยาเนี่ยนะยาในหนึ่งเม็ดอันนั้นมากอันนี้น้อยจะต้องค่อยๆเพิ่มมา น, นั้นจนกว่าจะพอดีก็เป็นอมตะโอสถ มักมีองศาตก็ลักษณะเดียวกันตรงจนกว่าจะกลมกลืนกันพอดีทีนี้กว่าจะปลมปลื้มในช่วงที่รู้ว่าอะไรขาดละ่ะทำไงก็ต้องเพิ่มทีละอันเพราะไม่มีเครื่องเทศที่ไหนที่อยู่ประชุมกันเททีเดียวแล้วพวดหมดเลยใช่ไหมก็ต้องค่อยๆเสริมทีละอย่างเสริมทีละอย่างจนกว่าจะพออยากให้ท่านแสดงอารมณ์ของการเจริญอินรีห้าตอนที่แยกประเภทเนี่ยนะครับศรัทธาเจริญมีอะไรเป็นอารมณ์วิริยะมีอะไรเป็นอารมณ์ ถ้าเป็นศรัทธาก็าต้องมีคุณของพร ะ, ะรัตนตรัยเป็นอารมณ์เช่นละลึกถึงพระพุทธคุณว่าโลกุตตรธรรมที่พระองค์แทงตลอดเนี่ยพระองค์ได้มาด้วยความยากลําบากได้มาด้วยความเพียรได้มาด้วยบารมีสิบได้มาด้วยกุศลธรรมทั้งปวงตลอดสี่อสงไข่ถึงบำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมขนาดนั้นก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเดินออกจากวังมาแล้วบรรลุเลยก็ <c oughs> ยามาภาคเพียรอยู่ตั้งหกปี พอบรรลุแล้วก็ไม่ใช่ว่าเนรมิตให้คนเนี่ยมาหาใกล้ๆพระองค์แล้วก็เทศทีเดียวให้บรรลุเลยของมานะสมัยนานและคิดง่ายมากพระพุทธเจ้าถ้ามีอํานาจจริงทําไมไม่เนรมิตก็ให้คนมานั่งอยู่รวมกันก็ไม่ต้องไปที่ไหนหรอกสอนทีเดียวบรรลุหมดเลยอันนี้คิดแบบเราเหรนะแต่ว่าผมก็ไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกจาริกเดินรอนแรมไปเพื่อจะสงเคราะห์เขาสอนเขาทั้งๆ ท, ท, ที่มีอํานาจสารพัดทาได้ทุกอย่างแต่ว่า ทำไมไม่ทําเช่นนั้นเมื่อเรารู้คุณของพระพุธะทธเจ้าทําให้ศรัทธาของเราเนี่ยมั่นคงยิ่งขึ้นรู้คุณของพระองค์แล้วทําให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์สอนมีศรัทธาว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มีผู้ปฏิบัติบรรลุจริงจากคนเลวอยู่ดีๆพอบรรลุแล้วก็กลายเป็นคนดีไปเลยแสดงว่าธรรมนี้เลิศจริงๆถือดาบไล่ฆ่าคนเนี่ยพอได้ฟังธรรมปฏิบัติตาม เป็นคนดีไปเลยหรือบางคนเนี่ยเป็นคนขี้โกรธอยู่มากมากเลยหงุดหงิดง่ายพอมาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนกลายเป็นคนเป็นคนมีเมตตาไปเลยโกศิยะเศรษฐี้ายาขนมเบื้องขนมคาชาหรือโบราณเรียกขนมเบื้องเนี่ยขนมแป้งใส่น้ําตาลทอดข้างถนนเนี่ยคือที่มาของโกศิยะเศรษฐีเศรษฐีขีดเหนียวแขีดเหนียวจนขนาดเรียกว่าถ้าทอดขนมเนี่ย ไม่ให้มียกินนะแกขี้เหนียวขนาดนั้นน่ะข้าวของก็จะใช้จะของเสียหาย ท, ท, ทั้งทั้งที่มีข้าวของเต็มไปหมดพอฟังทำมาลูกเป็นพระโสดาบันนะกลายเป็นบ่อนนะ้ำใครอยากตักเอาไปดื่มมาไปเลยไม่เหลือความตระหนี่หลงเหลือแม้แต่นิดเดียวจากคนที่จะเอาจะโกงอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจอย่างอืน่นเป็นนักให้ทานตัวยงเลยจากบางคนที่หมกมุ่นในกิเลสกามเนี่ยมากออกบว สละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าธรรมะนี้น่าอัศจรรย์มากก็ระลึกถึงความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมระลึกถึงความปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่มักน้อยสันโดษก็ทําให้สัตทินรียก็มีกําลังมากยิ่งขึ้นจนกว่าการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญได้ในทุกขนทุกแห่งและทุกอารมณ์หลังที่กล่าวนะถ้าใครเพ่งว่าพระ้าหันเนี่ยไกลาจากกิเลส กิเลสเนี่ยถ้าราคามันเกิดเพราะคิดยังไงราคาเกิดยังไงก็ต้องคิดโดยสุภาณิมิตใช่ไหมตัณหาจึงเกิดพระหันท่านไม่คิดว่านั่นเป็นสุภนิมิตท่านคิดได้ยังไงอันนี้น่าคิดถ้าโทสะจะเกิดก็ต้องคิดว่าเป็นปฏิฆานิมิตท่านคิดยังไงจึงไม่มีปฏิฆานิมิตโมหะเกิดเพราะอะไรเพราะไม่พิจารณาท่านพิจารณาหมดตรงนี้แหละถ้าเราเห็นอรหันตคุณคือไกลจากกิเลสในทุกอารมณ์ ไม่มีตัวใดเป็นภาชนะแห่งกิเลสของพระอรหันต์อีกเลยใครทั้งหลายในโลกในมวลสรรพสัตว์จะดีขนาดไหนก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะจะเลวปานใดก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะและท่านไม่ลุ่มหลงโดยประการทั้งปวงท่านทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเราก็เลื่อมใสถ้าเราเห็นอรหันตะคุณได้ในที่ทุกหนทุกแห่งได้ก็นับว่าสัจทีนรี่ของเรานี้มั่นคงลกล้าหามาก โดยเฉพาะว่ามีศรัทธาที่เราต้องทําให้แจ้งในอริยคุณให้ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในอริยคุณโดยเฉพาะโลกุตระคุณทั้งหลายถ้าความเพียรแหละอย่างวันนี้นะภาพที่เราเห็นมาคุณสุจินเป็นยังไงเก็บภาพได้หลายอย่างไหมตาเบลอเต็มทีแล้วในก็สังเวกับวัตถุชนิดหนึ่งเหมือนกันนะัสังเวกับวัตถุเนี่ยมีเต็มไปหมดที่เราให้ดูถามว่า ถ้าโซดาปฏิมักเป็นต้นไม่เกิดเราพ้นสภาพนี้หรื อ, อยังมันมีตัวลาตัวหนึ่งไงไหมลามันก็หนักหนาอยู่แล้วพิการเท้าอีต่างหากลาพิการนะเนี่ยมันก็เห็นนะถ้าหากว่าโยมอยู่ข้างหลังอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะเขางมาเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นทุกษัตริย์เต็มหมดเลยเต็มถน น, อนเนี่ยนะถ้าเราไม่แทงตลอดอริยะคุณทั้งหลายสิ่งที่เราเห็นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเป็นชีวิตในวะตะมันก็อย่างนี้แหละ ถ้าเรายังตัดชันทราคาในภพไม่ได้เขาเหล่านั้นคือว่าที่บิดามารดาแห่งเราอย่าว่าพูดถึงเราเราเลยพระโพธิสัตว์ท่านยังเคยเป็นโลกจันทานมีแม่เป็นนางจันทาลีอาชีพนักแสดงกายกรรมสกปรกที่เราเห็นดำปีงี้แหละเช่นชาติมาตังค้าบัณฑิตท่านก็เกิดเป็นจันทารชนิดที่เรียก ว, ว่าคนเห็นท่านแล้วต้องเอาน้ามาล้างตา ถือว่าอัปมงคลเป็นอย่างมากพวกทิฏฐมังคลิกะเห็นจันทาเ น, นี่ก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอย่างมากเลยต้องเอาน้ํามาล้างตาท่านยังเคยเป็นสภาพนั้นนี่เรื่องในกลับนี้นะขนาดบําเพญบารมีมาเสียสงไข่เ 99, ก้าหมืนเก้าพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้ากลับมาแล้วนะยังพลาดไปเป็นอย่างนั้นได้อย่างเรื่องนกคุมเนี่ยถามว่าเกิดกลับไหนกลับนี้นะเกิดเป็นนกได้จะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่น ยังเกิดเป็นลิงเนี่ยนะทำไมไม้อ้อจึงมีรูเนี่ยก็เคยเกิดเป็นพญาลิงหลายๆเรื่องในขนาดสังสมบุญมาขนาดนี้นะอย่างพระโมคคานะนะสังสมบารมีมันหนึ่งอสงไขเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากลับมาแล้วข้าพ่อข้าแม่คิดดูว่านี่มันขนาดนี้นะสังสารวัตรเราเนี่ยเราทําอะไรมาบ้างเราตั้งความปรารถนามาแค่ไหนเรามั่นใจหรือว่าเราคือนักบุญฉันเนี่ยผู้นักบุญมาเกินนะ ของมานี่ไม่เชื่อว่านักบุญมาเกิดแน่นอนเพราะว่าตราบาปที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยสมัยฆ่าสัตว์นี่ไม่นึกว่าเราต้องมีเมตตากับปลาเลยอย่างเงี้ยคุณนภานี่ชอบว่าบ่อยตัวเขาดำใจยังดำอีกตัางหากคุณนภาเขาเคยว่าเหมือนกันคุณนภาเขาเกิดมาเขาฆ่ามดอย่างเดียวอะฆ่าอยู่ครั้งเดียวนะฆ่าสัตว์นี่เขาจําได้ว่าฆ่าอยู่ครั้งเดียวแต่คนที่เหลือนี่ไม่ทราบว่านะอาจจะว่า แอ๊ะครั้งไหนที่เห็นแล้วไม่ฆ่าเนี่ยนะก็ต้องนึกแบบนี้บ้างครั้งไหนที่ยุงกัดแล้วไม่ตกเนี่ยมีครั้งไหนบ้างก็ครั้งที่ศึกษาธรรมะนี่แหละ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนยะยังไม่ทันกัดเลยนะเห็นว่ายิ่งตกแล้วอย่างไงนะก็ลักษณะนะั้นนะบางคนเนี่ยนะอยู่ในห้องนะถ้าไม่ได้ตกก่อนเนี่นอนไม่หลับและยิ้ตัวเดียวเนี่ยต้องตกซะ ก, ก่อนให้มันตายก่อนนะจึงจะนอนหลับบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ที่สั่งสมบุญมาก อัธยาศัยเขาดีเขาก็ไม่น้อมไปเพื่อทําบาปแต่อย่าลืมนักรรมบทมีทั้งสิบข้อมันไม่ได้มีข้อเดียวคนอาจจะดีอีกเรื่องหนึ่งแต่เลวตั้งหลายเรื่องบางคนนี่เลวเรื่องหนึ่งแต่ก็ดีทั้งหลายเรื่องเนี่ยชีวิตในวัดตะมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัตต๋าที่อยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลําบากมันก็อย่างนี้แหละไม่หลุดอันหนึ่งก็อันหนึ่งะนะคือหมายความว่าหลุมบ่อมันเยอะหลุมอบายก็เยอะไม่ทําอันหนึ่งก็อันหนึ่งอีกจนได้ ถ้าหากว่ามันพิจารณาบ่อยๆทุกอย่างคือสังเวกขวัตุกอย่างที่ได้ว่าถ้าอดีตชาติสังสมสาธยายเกสาโลมาณขาตันตาตาจโจมาดีเห็นผมออกอยูเส้นเดียวก็ออกบวชแล้วพูดอย่างนี้มันกเ็เถือนหลายคนนะเพราะมันตาไปครึ่งหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเฉยๆเลยถ้าสาธยายมาดีเนี่ยเห็นอะไรนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเห็นกาเนี่ยมันเหยียบผิดที่ไปหน่อยนี้ก็เริ่มจะต้องออกบวชได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ว มันจะเหยียบที่ขอบตาได้ตีนกาเนี่ยมันไปรอยทั่วไปหมดมันก็เลยสังเวชในวัตฏะเนี่ยเป็นอย่างมากบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นตายเนี่ยทางนี้ก็เดือดร้อนเนี่ยจะต้องพระพุทธผมอมมาจันทร์ให้ได้สําหรับผู้ที่สั่งสมอัธยาศัยมาแต่ถ้าผู้ไม่ได้สั่งสมอัธยาสัยมาล่ะเขามาเชื่อในเรื่องการปลูกฝังมาคือตั้งอัตตาสัมมาปณิทิไว้นานแล้วบอกว่าคนอื่นเขาทําบุญมาเยอะก็ช่างเขาเถอะเขาเป็นผู้มีบุญ แต่เราจะขอทําบุญก่อนขอเอาของที่มันเห็นเห็นก่อนนะของอดีตรเราไม่รู้ว่าเราทํามามากทํามาน้อยถ้ายกให้ของเก่าไปหมดเราว่าอดตายแน่งานนี้เพราะฉะนั้นขอเอาอันใหม่นี่แหละอันไหนพอทําได้ก็จะทํามานั้นก่อนก็ เ, เชื่อเรื่องความเพียรมากกว่าเชื่อบุญเก่าว่างั้นหนึ่งคือบุญเก่าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงมีอยู่จริงแบบปัญหาว่าไม่ค่อยเชื่อว่าเราทํามาดีสักตั้งไหร่คือบุญเนี่ยมีผลให้ผลเป็นสุขจริงแต่ไม่แน่ใจว่ามันทํามาเยอะหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นๆ เ, เลยคือทำใหม่เอาไว้เถอะ